ก็ตั้งใจปฏิบัติไปนะแต่ทุกครั้งในการจัดนั่งแบบยายาตัวยู่คงจะยากหน่อยนะที่มันแน่นขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายเพื่อที่จะให้ดูโปร่งในช่งชวงเช้าตั้งแต่และเชา้าคือการเจริญสติแบบดูแลร่างกายอ น, นี้เพื่อที่จะให้แต่และคน มีความเข้มแข็งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากที่เราได้ร่างกายและถูกโสมด้วยรถอาหารรดปรุงแกงทั้งหลายเนี่ร่างกายเราเสื่อมเพราะนั้นวิธีการก็คือจะต้องมาลดความอยากก่อนถ้าไม่ลดความอยากนี้เดิงลดอาหารลดความสะดวกสบายเนี่ยมันลดไม่ได้มนะการมาทำวิปัสนาคือการมาทำลดความอยาก เราก็จะตอบสนองแค่ความหิวของร่างกายดังนั้นมาเป็นภาระที่เราจะต้องมาดูแลรักษามาใช้ ย, ยุกใช้ ย, ยาใช้สารพัดอย่างที่จะมาลดผลของความอยากที่เป็นลูกหัยแค่เจ็บลกูกบนความดันเบาหวานหัวใจเมื่อเร็งลกูกปอดลกูกกระเรงต่างมันเป็นพิบาสที่เราได้จากที่เราหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงมา จนกระทั่งเรามาวิปัสนาสมถะก็ยังล่าไม่ได้นะพวกการเสพติดเในรูปรสกลิ่นเสียงเนะ่ยเพียงแต่กดทับไว้เฉยๆกดทับอาการมันไว้เมื่ออาการมันขึ้นเวลาอาการไม่พอใจอเกิดขึกดมันไว้อาการพอใจเกิดขึ้นแรงเกิดไปก็กดมันไว้กดไปกดมาเอาไม่อยู่นะเพราะว่ารากอารูปมันมารึข์ดังนั้นการมาทำวิปัสสนาก็คือมาลด มาตัดรากฝ อ, อยมันก่อนเรารู้ว่าร า, ากแก้วของกิเล็มไอยู่ตรงไหนนะถ้าเราไปตัดรากแก้วมันไม่ไหวมันรากใหญ่เกินไปลากใหญ่เรา ก, <c oughs> ก็มาตัดรากฝ อ, อยไปเรื่อยๆจนตัดทอนรากฝ อ, อยไปเรื่อยๆรากแก้วมันก็จะตายไปเองเพราะไม่มีอาหารมีมีน้ำเลี้ยงเพราะนั้นรากฝ อ, อยของความอยากคืออะไร พุทธเจาท่านตรัสไว้ว่าอภิชาและโทมนัสคือความพอใจและความไม่พอใจอ น, นี่คือรักฝอยะของกิเลสทั้งหลายซึ่งสองอย่างเนี่ยระหว่างตัดความพอใจกับความไม่พอใจไหนง่ายกว่าคุณสัมพันธ์อง่ายกว่าใช่ไห ม, มง่ายกว่าง่ายกว่าตัดความพอใจยป็นไงกําลังรดอาหารเป็นอร่อยๆเข้ามาดึงจานออก ไงขึ้นปึ๊กเลยใช่ไหม <c oughs> นี่กำลังดูหนังฟังเพลงอะไรเลยเขามาปีกเครื่องปึกไปไงขึ้นเลยเหมือนกันเนาะเพราะนั้นตัดกระแสะของความไม่พอใจเนะี่ยมันยากนะแต่มันไม่มีทางอื่นเลยนะถ้าจะมีชีวิตที่สบายทางร่างกายดีใจไม่มีทางอื่นเลยจะต้องมามาลดลัดตัดรากข อ, ของของความอยากแต่ความอยากมันก็ไม่ได้หมดไปด้วยกันอ่านการฟังเนาะต้องมาทํางไง ถ้าเรนั่งไปแนะนำก็จะมีสองอาการที่ได้บอกไปเมื่อวานคืออาการสบายและไม่สบายอาการสบายเราอยากจะตัดมันไหมไม่เสพอยู่นะอาการไม่สบายเป็นไงหนีนะไม่ใช่จะความจริงเราต้องปฏิบัติต่ตอสองอาการเนี่ยเท่าๆเทียมกันเท่าเทียมกั น, กนคืออาการของความสบายก็ไม่เสพ อากาศของความสบายก็ไม่เสพการหนีคือการเสพความสบายการไปคว้าไปจับไปฉวยไปยึดนั่นคือการเสพความสบายการไปหนีไปผลักไปดันไปกดไปบีบไปไล่นั้นมีการเสพความไม่สบายบภาษาของเขาเนะี่ยดังนั้นเราก็ปฏิบัติทั้งสองอย่างเนี่ยการความสบายเราก็ไม่เสพการเสพความสบายเราเรียกว่าอะไร enjoy enjoy your meal enjoy your uh, sitting enjoy your sleeping enjoy your laughing เพราะยังมันก็เลยความเพลินสนุกสนานความเพลินแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแสวงหาด้วยใช่ไหมหาอาหารไม่อร่อยก็ไปหาหาอาหารได้เป็นไงอร่อยพอการสั่งสมอร่อยมากขึ้นมากขึ้นออกมาเป็นมันเกินนะนะเกิน ตอนนั้นเองก็การมาเข้าคอสวิปัสนาก็มีกติกาที่เอื้อต่อการปฏิบัติแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่สบายเกินไปนะนในห้องข <c oughs> องเราที่พักซื่อจำปะพัน์บอกว่บบบบสาสถานที่แห่งนี้เป็นของทุกคนนะเพียงแต่ช่วยกันใช้ช่วยกันรักษา อาจจะถึงจะชั่วคราวเดี๋ยวก็เราช่วยกันชา์ช่วยกันรักษาช่วยกันบริหารรักษาความสะอาดแต่บางคลออกมาจากห้องยังไม่ได้ปิดไฟนะได้ดูในห้องได้ดูในตามสลามเมื่อกี้ต้องปิดไฟแล้วก็ปิดพัดลมบางคนก็ลืมปิดแอร์ปิดแอร์นี่เขาเพิ่มพิเศษบ้างนะอีกห้าสิบบาทต่อวันแต่พัดลมและบริการฟรีนะ เราะนั้นก็เป็นการช่วยกันเพื่อดูแลรักษาแล้วก็โทรศัพท์ก็คงตามพิธกาใช่ไหมโ ย, ยมสักลงทะเบียนแล้วก็เอาโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้เป็นพี่เป็นไฟมาโทรศัพท์พ่อคนงานของพ่อมันทำงานเออให้มันใช้โทรศัพท์อ้าวปะปุ๊มันก็ระบาด หาเพื่อนหาฝูงหาลูกหาแฟนหาเหล้าหายาอ่ะยืดโทรศัพท์เครื่องที่หนึ่งอดีไปพักเอาอีกโทรศัพท์ที่สองแอบมายืดเครื่องที่สองเครื่องที่สามมาแกโกลนผมเลย น, น, นั่งนุ่ชุดขาวต้องบำเพ็ญศีลมีศา ส, สนาก่อนมังั้นไม่ให้ทำงานก็เลยพามาเที่ยวนี้ซึ่งความอยากมีความรุแรงมาก นะเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพุทธ mm hmm. เจ้าท่าเรียกว่าตัณหาดังนะนั้นเรามาทุกคนรู้จักความอยากแต่ตัดมันไม่ได้แต่เราเสพมันดังนั้นต้องมาฝืนหน่อยนะฝืนจิตฝืนใจซึ่งก็เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี้ก็เพื่อมาไม่ใช่มาสู้รบนะไม่ใช่มาสู้รบกับความอยากแต่มาเปลี่ยนค่าของความอยากให้เป็น เปลี่ยนค่าของความเพลินให้เป็นความไม่เพลินเปลี่ยนค่าของความอยากให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานถ้าเราควาอยากเป็นวัตถุดิบอันหนึ่งนะสมมติว่าตัวผลไม้เนี่ยถ้าเราเด็ดมาเราทานเลยได้ไ้ยบางอย่างไม่ได้นอะอย่างงุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเด็ดมาทานเลยเนี่ยปลอดภัยไหม ไม่ปลอดภัยแล้วนะเพราะฉะนั้นความอยากเป็นวัตถุดิบความอยากไม่ใช่ข้าศิษยัตรูไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องเอามาแปล ร, รูปเพราะฉะนั้นเราแปล ร, รูปของความอยากมาเป็นความรู้สึกตัวจะปลอดภัยแปลความกามาัญหามาเป็นศีลแปลพวจรตัญหามาเป็นสมาธิแปลวิภวตัญหามาเป็นปัญญานะ แปลสุขเวทนาเป็นศีลเป็นแปลทุกขเวทนาเป็นสมาธิแปลอทุกขเมตสุขะเป็นปัญญาแปลโสมนัสเวทนาเป็นศีลแปลโทมนัสเป็นสมาธิและแปลอุเบกขาเป็นเวทนาแปลราคาเป็นศีลแปลโทสะเป็นสมาธิแปลโมหะเป็นปัญญานี่แปลค่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น รากเง้าเนี่ยเราแปลสภาพมันจำเป็นอย่างเดี๋ยวนี้เกษตรสมัยใหม่ใช่ไหมแทนที่จ ะ, ะปลูกต้นมะนาวแล้วให้ไปต้นมะนาวไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเอากิ่งมะนาวไปเสียบใส่ต้นมโอซุ่มโอเนี่ยต้นอะไรต้นกระสัง ต้นมะควิดตัวนี้อามานาวปติดปัญหาอาหารได้เก่งกว่าทุเรียนมันไม่งามต่อรักเพิ่มเปลี่ยนนะจากของเดิมให้เป็นของใหม่ดัะนั้นในการปฏิบัติื่อกันกมันจะมีค่าอยู่สองตัวที่เรา เ, เชิญอันดับได้ทุกคนเลยค่าทางกายแล้วลว่าหนักกับเบาค่าทางกายหนักกับเบาหรือนั ก, กเบาเป็นค่ามาเป็นสบายและไม่สบาย พอเราตามไม่ทันมันก็เปลี่ยนค่ามาเป็นชอบหรือไม่ชอบอเรามันก็เปลี่ยนค่าของมันโดยธรรมชาตินะถ้าหากว่าเราไม่ไม่ตาม <c oughs> เราไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติสัมยะแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้มันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันก็คือตัวหนักก็เป็นตัวสบายตัวสบายก็จะเป็นตัว ชอบใจตัวชอบใจก็จะเป็นเกิดติดใจตัวติดใจก็เปตัวพอใจตัวพอใจก็เลยเป็นตัวอยากตัวใคร่ไปเรื่อยๆแหละอันนี้มันมันเปลี่ยนไปตามมันถ้าหากว่าเราไม่ปีปัสนาห์นะต้องเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนเพราะมันเป็นสันสัตญาณที่เราอยู่กับมันมาหลายไม่ใช่ชีวิตนี้เท่านั้นนะ่ะ ย้อนไปไม่รู้ว่าเราตเติมเริ่มต้นชี้เมื่อไหร่ก็นมาเนี่ยนนตั้งแต่เรามีรูปมีนามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดท่านจึงให้รู้จักรูปนามทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาว่าเออคนใหม่เนี่ยในการที่จะดูความอยากให้เป็นจะดูที่ไหนความอยากเกิดจากที่ไหนก่อนความสบายอะ่ะเกิดจากที่ไหนพูดถึงความสบายคื อ, ค, อคือลากลากฝอยของความอยากนะเกิดจากที่กายกับใจเท่านั้น แต่กายกับใจถ้าเป็นภาษากรรมาฐานเราเรียกว่ารูปกับนามนั้นถ้าหลวงพ่อพูดว่ารูปนามก็หมายถึงกายกับใจนั่นแหละแต่กายกับใจเป็นส่วนหนึ่งของรูปใจเป็นส่วนหนึ่งของนามนะหนึ่งในหกแต่เราเลือกเอามาที่มันเข้าใจง่ายเช่นคําว่ารูปนี่ประกอบด้วยะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นหยิบมาตัวเดียวคือกาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปแต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็เรียกว่ารูปนามรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจ้าเรียกว่านามอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เคยเรียนรู้ไปนะนะเบื้องต้นถ้าหลวงพ่อกล่าวว่ารูปนามให้เข้าใจว่ากายกับใจเนี่ยอยู่ร่วมกันถ้าเอ่ยว่านามรูป หมายถึงว่ากายกับความคิดมาด้วยกันถ้ากล่าวว่านามความรู้เนื้อรู้ตัวกับกายนี้มาด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าไ ม, ไมโครโฟนไมโครโฟนเป็นรูปหรือเป็นน้ำไมโครโฟนเป็นรูปหรือเป็นน้ำเป็นรูปพูดถึงเป็นรูปก็คือรูปเรีวยกว่ารูปที่ไม่มีนามเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟก็จะพูดถึงอย่างนี้ดังนั้นในรูป ในรูปนามในนามรูปในนามล้วนๆและในรูปล้วนๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่ทคนรู้จักคือกายกับใจพอมาที่นี่เอาเรียกว่ารูปกับนามเพราะอะไรรูปกับนามมันควบคุมทั้งหมดรูปไมาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นลดลสัมผัสอารมณ์เนี่รูปเสียงกลิ่นลดลสัมผัสเรียกว่ารูปตาหูจมูกลิ้นกาย เรีว่ารูปอารมณ์กับจิตเรวานามอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ไปอย่างเนี้ยจําเป็นต้องรู้ภาษารหัสตรงที่ว่าเราเวลาเราสื่อความหมายมันต้องจำเป็นต้องใช้คําพูดต้องจำเป็นต้องใช้ความหมายเพื่อความสื่อความเข้าใจแล้วก็ก็นําไปสู่สภาวะเช่นเรานั่งนานๆรู้สึกยังไงหลับตาละใช่ไหมอ่า ทีนี้เวลานั่งนานๆมันไม่สบายความรู้สึกไม่สบายเป็นรูปหรือเป็นนา ม, มบางคนว่ารูปบางคนว่านามความรู้สึกไม่สบายที่แต่พวกเนี่ยมันเป็นรูปนามหรือนามรูปถ้าเรารู้สึกไม่ชอบใจกับไอ้ความรู้สึกหนักนีกน่นะรู้สึกลำค้าญหงุดหงิดเบือ่อเซ้งนั่งนานอะไระกันนั่งหนาถ้ามันรู้กคิดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านามรูปแต่ถ้ามันหนักเฉยๆล้ว ร, รู้เฉย ๆ, ๆก็เป็น รูปนามนะแต่ถ้าคนไหนเข้าไปรู้ชัดๆรู้สึกปรับเขาออกแล้วก็ปรับเข้าปรับออกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอันนี้เป็นน้ำล้วนๆและเป็นรูปล้วนๆต่างตรงนั้นนะแต่ทีนี้เอามันไม่ใช่อางนั้นนั่งไปแล้วสบายสบายรู้สึกบางคนนั่งไปแล้วเบาสบายแล้วก็เพลินลักษณะ น, นี้เป็นอะไรก็เป็นรูปน้ำอยู่นะแต่ถ้าเราไปชอบความ สบายนั้นไปเพลินในความสบายนั้นมันถึงจะเป็นนามรูปคือพอใจพราะมาเริ่มต้นที่ใจไปชอบใจนี่เป็นนามใช่ไหมจะชอบใจในอะไรอาการหนักนี่เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปคือเป็นอาการของรูปเรื่องเป็นอาการของรูปเรียกว่าสภาวะอ่าสภาวะมันเบื้องต้นให้เรียนรู้สัพ์เหล่านี้ไว้ก่อนเพราะเวลาฟังๆั่นเนี่ยหลวงพ่อจะใช้คําพูดเหล่านี้เยอะมาก คนรู้หลวงพ่อพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไม่ได้นะเพราะเราเราชี้แจงกันแล้วกันอีกนะแล้วก็อาการหนักอาการเบาเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเกิดขึ้นเป็นบางเวลาความรู้สึกหนักเบาเกิดขึ้นบางเวลาหรือตลอดเวล า, ลวลาทั้งตลอดเวลาแต่ว่า หนักปีติเบาหน่อยใช่ไหมบางครั้งเบาจนสัมผัสไม่ได้บางครั้งหนักจนสัมผัสไม่ได้ก็มีบางครั้งหนักสัมผัสได้ชัดบางครั้งเบาสัมผัสได้ชัดก็มีแต่มีตลอดเวลาการที่อาการหนักเบาตลอดเวลานี้ตัวนี้เป็นอะไรเป็นกฎของอะไรเรารู้สึกหนักเบาหนักบ้างเบาบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นเป็นอะไรเป็นธรรมชาติของรูปธรรมชาติของรูปมีกี่อย่าง มีอะไรบ้างหนักเบานี่อาการของมันใช่ไหมแต่ตามภาษาทางการเรียกว่าหนักเบาก็เรียกว่าการคงที่หรือเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเราเรียกชื่อมันว่าอานิจังและความเบาจะเปลี่ยนไปเป็นความหนักเสมอไปไหมความรู้สึกนั่งเนี่ยพอพอเปลี่ยนท่าใหม่ให่รู้สึกเบาใช่ไหมสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นหนักหนักนิดสบายหรือไม่สบาย ไม่สบายเราเรื่องอะไรทุกขังเนอันนี้ังมาตามมาเรืทุกขังอะไรใช่และความสบายนี้เราไม่สบายเนี่ยเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมที่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้มันมีสองลักษณะถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันเพราะว่ามันเป็นไงมันทนไม่ได้อ่าทีนี้เราทนไม่ได้เราเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนด้วยความรู้ตัวสองเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เราจะเป็ น, หนไหนสองตัวเนี่ย รู้ตัวแล้วเปลี่ยนนะรู้ไม่รู้ตัวเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ตัวแล้วเป็นอะไรถ้าเปลี่ยนตั้งใจเปลี่ยนเออนี่หนักนะนะฉันจะตั้งใจเปลี่ยนให้เห็นความหนักเกิดขึ้นอย่างไรก็เปลี่ยนไปเห็นความหนักเกิดเห็นความเบาเกิดขึ้นนะเสร็จแล้วไอ้การตั้งใจรู้อย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนด้วยความรู้ตัวนี้ก็ก็จะเปลี่ยนเป็นสติเปลี่ยนเป็นสมาธิเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายเปลี่ยนปั๊บ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเป็นพอใจไม่พอใจเฉยเฉยบางครั้งพิกเปลี่ยนไปแล้วมันพอใจก็มีพิกเปลี่ยนแล้วไม่พอใจนี่เป็นราคะโทสะและโมหะทันทีเหมือนกันแต่ตัวรากฝอยมันไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่มันนะตัวลูกเล็กๆของมันมันเริ่มจากตัวเนี้เพราะฉะนั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรามีการพิษเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อบาา l a n หนักเบาตลอดเวลา ถ้าได้ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนั้นแสดงว่าคนนั้นได้มีการฝึกฝนอะไรมาแล้วสติสมาธิปัญญามาระดับหนึ่งแล้วถึงสามารถเปลี่ยนค่าของตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นตัว ส, สติสมาธิปัญญาได้ที่นี้เรามานี่เราบอกเพื่อเปลี่ยนค่าตัวนี้เท่านั้นนะส่วนใครจะทําสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสองประการ หนึ่งคุณมีความชอบความรักที่จะทำไหมอ่ามีมีมีศรัทธาที่จะทําเรื่องนี้จริงจังไหมสองเมื่อชอบรักที่จะทําเรื่องนี้คุณตั้งใจทํำไหมพิสูจน์ไหมกล้าไหมตัวนี้เรื่องวิทยามีศรัทธาและความเพียรเป็นหลักแต่ถ้าหากว่ารู้เป็นอย่างดีแล้วเออเนี่ยใจรักนี่นะมันจะเปลี่ยนเป็นใจสิกขาได้แล้ว เ, เปลี่ยนยังไงล่ะ ก็เปลี่ยนอย่างนี้แล้วคุณทําได้ไหมยังทำไม่ได้เพราะคุณขาดอะไรขาดศรัทธาและความเพียร น, นะเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มมาที่นี่มาเพิ่มศรัทธาและความเพียรด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสื่อมันเยอะเนาะฟังซีดีก็ไม่รู้จะ ก, กี่แผน่นฟังอาจารย์ก็ไม่รู้จักกี่คนฟังเทศฟังบรรยายเพิ่มไม่รู้จักกี่หนแต่ถ้ า, าว่าเราเข้าใจมีศรัทธาและความเพียรตอนนี้เราก็เป็นไงหมดกิเลสไปแล้วล่ะ แต่เราเราจรึงมาเพิ่มกําลังของสตานและความเพียร น, นะทุกคนก็มีสตามีความเพียรอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีกําลังเท่านั้นเองเด็กสามขวบห้าขวบเจ็ดขวบมีมือมีไม้ไห ม, มแต่ว่าจะทํางานเหมือนคนใหญ่ได้ไหมเป็นผู้ใหญ่ไม่ไดไม่ได้เพราะกำลังมันยังไม่พอเราทุกคนก็มีสตามีความเพียรอยู่แต่จะเอากิเ ด, ดตนาวประธานออกได้ไหมไม่ได้มันหนักเกินไปเราก็ต้องมาฝึกละที่นี่นะ ดังนั้นในช่วงที่เรามาฝึกในเรื่องเนี้ก็ทำให้มันถูกต้องเชตทีเดียวนะเพื่อเราจะไม่ต้องไปเลือกหลายครั้งหลายห้นหลายแห่งบางคนทำถูกบ้างผิดบ้างผมันใช้ไม่ได้ไม่เหมาะกับฉันอา้าวเลือกจากนี้ก็ไปหาที่ใหม่เลื่อยไปงี้ไม่มีไม่มีที่จบสิน้นแต่ถ้า หลักการของวิทัาศาสตรถ้ามันถูกต้องเนี่ยทำที่ไหนก็เหมือนกันหมดแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีข้อแปดแยกแตกต่างไปแต่ละแห่งไม่เหมือนกันละแต่ถ้าหากว่าที่มันถูกต้องมันจะเหมือนกันหมดอ่ะนะคุณกินกาแฟที่นี่ก็ที่เมืองไทยก็ไปกินกาแฟนก็รสเดียวกันอ่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะกินน้ำตาลที่มันหวานไปกินที่อื่นมันก็หวานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันถูก มันก็จะเป็นเหมือนเดียวกันมันก็จะไม่สงสัยดังนั้นไหนๆมาแล้วเนี่ยทำให้มันถูกต้องว่าวิปสัสสนานั้นต่างจากสมถะ <c oughs> ดังนั้นอันนี้คือเราก็าเป็นมายเงี้ยผู้ปฏิาสาณฐานในประเทศไทยเราก็าเป็นเงี้ยไม่ร้อยกี่้อยกี่ร้อยปีมาเคยเป็นหญิงเนี่ยเพรื่อนั้นในวัดของเราในประเทศไทยเรามีตัวแทนของพระแหัศรูปวัดแหละนะ แต่หาวัดที่ปปิปัสนาได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเราจะมาเอาตัวกิเลสออกจากใจได้อย่างไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เป็นเรื่องคําพูดเท่านั้นนะมันต้องทำได้จริงๆนะเรื่องคําพูดเนี่ใครก็สอนได้คุณไปอ่านดรรราอ่านพระไตรปิฎกอ่านพุทธวจะนะมาคุณก็พูดได้ลนะคุณก็แต่ทําได้ไหมนี่นี่ตรงเนี้ยเราจะพิสูจน์ว่าเป็นสมถวิปัสนาจริงหรือไม่จริงตรงที่ว่าคุณทําได้ไหมนะ นั่นมาที่นี่เราจึงมาทานะมาท ำ, นะา ท, ำทำไมเราใใจงแจ้การเคลื่อนไหวหมือบางคนยังทำใจไม่ได้นะเอ๊ะฉันนั่งหลับตาทุบทโฮน้อยสมมาละหังมายาวนานจะให้ฉันมานั่งลืมตาคงทำไม่ไหวะนะเพราะมันไม่สงบใช่ไหมคุณสัมพันธ์ลืมตาพ บ, บ ก, ก็บไปแล้วใจล่องรอยไปตามสายตาเราคิดว่าอย่างนั้นนะตามีหน้าที่อะไรมีท่า ดูใช่ไหมไมีถ้าเห็นดูจําเป็นไหมเราจะต้องจิตของเราจะต้องไปวิ่งไปกับสิ่งที่เราเห็นเสมอไปแต่เราคิดว่าพอลืมตาป้ามันเห็นก็นึกว่าใจเราไปบางครั้งมันไม่ได้ไปแต่ต า, ต า, ตาทําหน้าที่ของมันน่ะใช่ไหมคือลืมตามันก็ต้องเห็นน่ะเห็นแสงสว่างเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอะไรต่างการเห็นนี่เป็นตัวรู้เช่นที่หนึ่งเรียกว่าโสตดจักปูอินญา เมื่อเห็นแล้วถ้าเราคิดไปมันก็เป็นนามรูปถ้าเราไม่ได้คิด เ, เฉยๆก็เป็นรูปนามแล้วดีแล้วทำไมต้องหาวเลยลูหาวเพราะว่าเราเพลินพอเพลินแล้วไม่ได้จำรู้พอไม่จำรู้ปั๊บมันเป็นเพลินก่อนเพลินก็จะแปลงข้าเป็นหาวหาวก็จะเป็นค่าเป็นง่วงง่วงก็จะเป็นค่าเป็นมูหะมันก็จะตามสายขึ้นมาอย่างนี้ ม, มันไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาอ๋อเนี่ยเบื้องต้นเราต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้ก่อนการที่เราฟังเราพูดเราศึกษาธรรมะไปขั้นสูงขั้ขนลึกแต่เบื้องต้นนี่เองไม่ทำอะไรไม่ได้เลยมันเสียเวลานะเสียเวลาศึกษาเสียเวลาฟังด้วยแต่สิ่งใดที่เราฟังเราศึกษาเข้าใจทาสิ่งนั้นให้ได้พอ อย่เสียเวลากับมันมากนักลึงลึงกันคือบางคนนี่ขาดเสียงธรรมะไม่ได้นะเปิดเสียงธรรมะตลอดเวลาเลยอยู่คนเดียวไม่ได้เลยพวกนี้เสพติดนะเสพติดขโมดเสพติดเสียงธรรมะก็เสพติดเพลงลูกทุ่งดังกันไหมเออไม่ได้ดังกันเท่าไหร่ไม่ได้ดังกันเท่าไหร่เพราะมันเสพอะใช่ไหมมันจะมาในรูปไหนอะนะ กันชาโดยตรงแล้วคุญชากุจะไปทำน้ำกาก๋วยเตี๋ยวก็กันชาเหมือนกันนี่แหละแต่มันอร่อยต่างกันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้เราก็คงจะต้องมาศึกษานะในการยกมือนี้เพื่ออะไรเพราะนั้นกยกมือนี้นะเทคนิคของมันก็คือมันมีสองจังหวะคือเคลื่อนกับหยุดใช่ไหมทั้งสองข้างเนี่ยมีเคลื่อนเท่าไหร่ไม่หยุดเท่าไหร่ทำมาสามวันและ้ะคงจะต้องเช็คดู้ละใช่ไหม สังเกตไหมว่ามีเคลื่อนเท่าไร่ม่อยู่เท่าไร่เคลื่อนเท่าไหร น, นะ <7. S 1> เคลื่อนเจ็ดแล้วถ้าเคลื่อนสองข้างอะ่ะข้างละเจ็ดใช่ไหมที่คุณว่าเนี่ยหรือสองข้างเจ็ดอ่าเอาคุณพิสูจน์ในสองข้างเจ็ดจริงไหมพิสูจน์เลยนับดูสิอ้าวสองข้างก็เป็นสิบสี่ใช่ไหมแล้วหยุดเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหรแน่ ใ, นใจไหมถ้าพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่อจะว่าไงเก้า <9. S 1> อ้าวคุณจะว่าไงมันไม่ใช่ยี่แปดแล้วว่า การเป็นยิบเก้าคือยิบเก้าท่าท่าเตรียมแอคชั่นมันก็คือยี่แปะใช่ไหมมันก็จะมีท่าเตรียมด้วยทีนี้เราก็เลยว่าเอออาจารย์คนหนึ่งเบอกว่าเรื่องนี้มันก็เรื่องเดียวกันนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นคุณจะสิบสี่สิบห้ามันก็ไม่สาคัญสําคัญว่าคุณรู้สึกตัวไหมคุณจะทําอาจจะ ไม่ถึงสิบสี่ก็ได้คุณอาจจะเกินสิบห้าก็ได้รู้สึกตัวเป็นใช้ได้แล้วก็จริงๆแล้วในยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเคลื่อนเนี่ยสรุปแล้วมันมีกี่เคลื่อนไม่มีกี่หยุดมีมีกี่เคลื่อนมีมีกี่หยุดโยมสักมาทองทำสองสามครั้งและสิบสี่มันก็คือเคลื่องนึ่งใช่ไหม<อ>แค่ที่จะเป็นสิบสี่มันก็ควรจะเป็นขี้อันมันก็เป็นอันเดียวนั่นแหละก็คือเคลื่องน่ะใช่ไหม <laughs> หยุดวันจะ่สิบสี่หยุดมันก็หยุดอันเดียวกันใช่ไหมมันก็คือหยุดมันก็มีแค่สองอย่างหยุดกับเคลื่อนแค <c oughs> ่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ต้องดูในยะให้ดีนะเอาละ่ะระหว่างหยุดกับเคลื่อนอันไหนหนักอันไหนเบาครื่งนี้ขอลงรายละเอียดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เคลื่อนเคลืนะ่อนอ่ะเคลื่อนหนักนะหยุดเป็นไงเ บ, บาบอ่าลืมเข้าไปแล้วใช่ไหมที่พูดถึงอาการหนักเบาไม่เกินมาจากไหนอนะอที่ในตัวเราเนี่ย มันเคลื่อนมันหยุดนับได้ว่ามันเท่าไหร่แต่หัวจุ่นเท้าเนี่ยนับไม่ได้เลยใช่ไหมแต่อาการของมันมีแค่ใยข้อสองคื อ, อหนักกับเบาแค่นั้นหนักเป็นภาวะที่เราชอบไหมไม่ชอบหรือว่าไม่สบายเบาเป็นลักษณะที่เราชอบหรือไม่ชอบชอบเป็นลักษณะที่สบายนั่ตนต้นตอมาจากนั้นเพราะฉะนั้นที่เราขึ้นเราหยุดเพื่อให้รู้ว่าสบายไม่สบายมันมาจากไห น, น หนักเบามาจากั้นทีนี้ความสบายถ้าเราเสพเป็นอะไรเป็นความพอใจใช่ไหมคุณทุกไปตามลำดับนะคุณจะข้ามขั้นตอนไปได้นะ <c oughs> ถ้าความหนักถ้าเราเสพถ้าเราคือไม่ชอบมันอนะ่ะเป็นอะไร <c oughs> ไม่พอใจไม่พอใจตามภาษาของพระพุทธเจ้าพอใจท่านเรียกว่าโสมนัสเวทนาคือดีคเขานีไหมแล้วก็ความหนัก ความไม่สบายถ้าเราไปเสพคือเราไปไม่ชอบมันเรียกภาษาว่าโทมานัสสเวทนาอ่าโทมานุสงฆ์นั่คือดียนดเนาะโอ้เป็นคนไทยต้องได้ยินแน่นอนเลยว <c oughs> ัดสมฆ์นัทแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเอ๊ะหนักก็ไม่ชัดบอกไม่ชัดในช่วงที่เปลี่ยนเนี่ยมันยังหนักเบายังไม่ชัดใช่ไหมเราลักษณะถ้าเป็นภาษาของกายแล้วก็ทุกขความสุขเวทนาคือยังไม่แน่ไวสุขหรือทุกข์เอามาเลยบอกมันไม่แน่ นะสุขพอไปเป็นอาการของจิตท่านใช้คำว่าอุเปขาเวทนาเพราะมันเหมือนเหมือนเฉยเฉยยังไม่ชัดเปขาเวทนานี่ภาษาริ่มเข้ามาละชอบเบาเราชอบมันเรียกว่าโสมนาาัสสเวทนานักเราไม่ชอบมันเรียกว่าโธมนัสสาวทนาทั้งหนักทั้งเบาไม่ได้ตามรู้เรียกว่าอุเปขาเวทนาเนะนี่ยทีนี้ไอโสมนาาัสสาวรือความชอบใจเนี่ยถ้าเรา ยังไม่ตามรู้มันอีกนะเออนี่ฉันชอบใจแล้วนะยังไม่ตามรู้มันอีกมันจะพัฒนาความเข้มขึ้นมาเป็นความติดใจอ่าความติดใจภาษาพระท่าเรียกว่าอภิชาไม่ใช่อิชานะอภิชานะและความไม่ชอบใจก็ยังคงสภาพเดิมจากโทมัสเวทนาก็ยังเป็นโทมัสะอภิชาและโทมณั นั้นเวลาเราสวนในสี่ประธานสูตรกายเยกายานุปัสชีวิหารติอาทาปีสัมปชานุสติมาวินายโลกะอะพิชาโทมณัตสัให้ละแค่สองอย่างนี้คุณมาพิจารณาเรื่องกายด้ื่ความเพียรทั้งวีทั้งวันเนี่ยให้คุณละทั้งสองอย่างนี้ละความติดใจและความไม่ติดใจละความพอใจและความไม่ปอใจในหนักในเบาในสุขในทุกในชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้า เรายังเผลอบางครั้งเราไม่ได้ละมันตัวติดใจนี้มันจะเปลี่นค่าเป็นตัวนันทินันทีแปลว่าอะไร เ, เธอเพลินพุทธเจ้าบอกถ้าคุณละอภิชาไม่ได้คุณต้องจา ม, มันที่ละนันทีอีกแต่สติเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะละได้มันก็ต่อนันท์กลายเป็นอะไรราคะอ่านันทีราคะมันจะต่อไปคือชอบมากขึ้น ใครอยากที่จะทําบ่อยๆใครอยากมันั่งสบายอยากจะนั่งแช่อย่างเนี้ยมันสงบอ่จะฉันจะนั่งแช่อย่างเงี้ยคุณจะว่าไงก็ไม่ว่าหากถามใจคุณก็แล้วกันเอทีนี้พอเปลี่ยนมานั้นทิลาคะคือเพลินแล้วก็ชอบแล้วก็ใครอยากมากขึ้นนันทิลาคะเปลี่ยนมาเป็นกามฉันทะในตัวที่หนึ่งของนิวรณ์ห้าเพิ่งเริ่มนะเออเห็นไหมเพึ่งพึ่งเพิ่งเห็นราด เพิ่งเห็นรากใหญ่มานะรากเล็กมารากฝอยมาตั้งแต่อะไรอา น, นิจงังสุขเวทนาโสมนัสอภิชานันทิการมาฉันท์ถ้ามาเป็นตัวที่หกรากมันใหญ่ละมันตายมาทั้งห้ารากเรายังไม่รู้มันเป็นรากฝอยอะมันละเอียดขนาดนี้ฉันจะไหวไหะเวลาไปเผาขยะเนี่ยคุณเผาทีละชิ้นหรือคุณเผาทีเดียวคุณเผาทีละชั้นหรือคุณเผาทั้งกองแล้วเพงไม่เผาทีละชิ้นเสียเวลา เหมือนกันนะเราจะทําลายกิเลสก็ทําลายทั้งหมดทีเดียวไม่ใช่ทําลายทีละอันแต่เราจะต้องเลือกมันมาทีละอันหลายๆชิ้นเนี่ยเหมือนกันเราไม่ต้องต้องทําลายตัวนี้ไม่ต้องทันตรงไหนคุณจัดการมาตรงนั้นทันที่ความเพลินก็จัดการที่ความเพลินทันที่ความใคลายก็จัดการที่ความใคลายทันที่ความอยากจัดการที่ความอยากนะการวิชันทะการวิชันทะเวลาเรานั่งไปนานๆมันมันเสพเพลินมันก็ สัญญาณแรกระหว่างหาวกับง่วงตัวไหนมาก่อนบางคนหาวก่อนบางคนไม่หาวลัดคันตอนไปง่วงเลยนะ <c oughs> เอออย่างงั้นก็มีบางคนหาวก่อนนั่นแสดงว่าไปขั้นที่ห้าแล้วแต่คุณก็ยังไม่รู้ตัวอีกะอะไม่รู้ตัวเพราะอะไรเ <c oughs> พราะสติสมญะเรายัางไม่เข้มแข็งพอแต่ในอาการที่มานั่งซ้ำซากเลยคุณจะไปเบื่อมันก็แล้วกันซ้ํำซากเบื่อ คุณหายใจมานานเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดเคยเบื่อโนองไหมคุณไม่มีสิทธิ์เบื่อเลยนะเอคุณกินข้าวทุกวันเคยเบื่อหมัมย ม, ม, มีอะไรก็ตามที่มันเป็นชีวิตเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เบื่อเพราะมันเป็นกฎกติกาของธรรมชาติแลนั้นไอการที่เราทำซ้ำซากแต่ว่าแต่ว่าการทำซ้ำซากทางฝ่ายรูปเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ เื่อการดำรงอยู่ของเราเราจะอาบน้ำแต่งตัววันละกี่มันเราก็ไม่เคยเบื่อเราจะหายใจเราจะทำอะไรในกิจกรรมเดิมๆนอนหลับอะไรมากี่วันกี่เดือนี่วัเราก็ไม่เคยเบื่อเพราะมันเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติทำให้เรามีชีวิตอยู่ถ้าไม่ทำสิ่งนี้อย่างซ้ำซากโอกาสที่เราหมดชีวิตมันง่ายลักษณะเดียวกันถ้าเราจะรักษาจิตนี้ให้ดารงอยู่ โดยที่ไม่ทุกเนี่ยโดยที่ไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บ mm. ก็จะต้องทาําซ้ำซากเหมือนกันแต่การที่ร่างกายคุณเจ็บป่วยเพราะคุณทํากิจกรรมแบบซ้ำซากของร่างกายไม่สม่ําเสมอคุณถึงเจ็บป่วยใช่ไหมถึงเวลาทานข้าวคุณไม่ทานถึงเวลานอนหลับคุณนอนไม่หลับถึงเวลาอาบน้ําคุณไม่อาบใช่ไหมถึงเวลาถ่ายตามเวลาคุณไม่ถ่ายเนี่ยเป็นโรคละ อะไรก็ตามที่มันซ้ำซากที่ไม่ถูกจังหวะเนี่ยคือเป็นเหตุให้เกิดโรคของโครคไัยไข้เจ็บต่างๆฉันใดก็ดีจิตของเราเราจะต้องทารู้สึกตัวแบบซ้ำซากทำให้รู้สึกตัวถ้าคุณไม่ขยันรู้ตัวแบบซักคุณจิตคุณก็ต้องป่วยป่วยด้วยโรคอะไรไม่ใช่โรคจิตนะโรควิญญาณเพราะคนเรามีสามโรคโรคจิต โรควิญญาณก่อให้เกิดโรคจิตโรคจิตก็ให้เกิดโรคกายใช่ไหมโรควิญญาณกับโรคจิตความชอบและความไม่ชอบอะไรคือเริ่มต้นของโรควิญญาณอเราพู้ย่ายังบอกให้ตัดนีไงตัดความชอบไม่ชอบเพื่อเอาโรคตัวนั้นออกหลงปูเทียนใช้คําว่ารูปโลกนามโรละรูปโรคมาจากนามโรคก่อนถ้าเราแก้ไขที่นามโลกไม่ได้ต้องไปสู่รูปโลกเพราะฉะนั้นการที่เราดิ้นไปดิ้นมาเพื่อบาบัดอะไรบำบัดโรคทางกายใช่ไหม นี่โรคประจำสังขารคือหนักคือเบาคือเจ็บคือแสบคือปวดคือคันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารูปโรคแท้เราไปเสพเราไม่ไปจัดการในรูปโรคให้ดีมันก็เกิดเป็นโรคทางวิญญาณคือพอใจไม่พอใจอันนี้คือเริ่มต้นของโรคละถ้าคุณพอใจเกินเหตุอาหารเนี่ยโอ้โหฉันชอบมากนะกินให้เยอะเลยกินวันวันกินแต่อาหารอร่อยไปไงรูปโรคมาละรูปโรคถามหาละ จากรูปโลกของจิตวิญญาณใช่ไหมกลายมาเป็นความดัดเบาหวานมาเมล่งหัวใจตับกเกเพาะสารพัดเลยทีเนี้ยคูณดามันไม่อยู่ละเพราะมันปลายปลายปลปลงปลายเหตุแต่ต้นเหตุมันมาจากกําเนิมนมาจากความพอใจเพราะสิ่งที่หลวงพ่อนําเสนอนั้นถ้าถ้าคุณไม่เอาไปทํามันเป็นเรื่องรวมๆแรงๆนะฮะแล้วก็มันก็จะเสียเวลาหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อต้องมาพูดบ่อยๆแต่ถ้าพูดแล้วคุณเข้าใจโอเคไม่ต้องพูดบ่อยมันมีเรื่องที่จะต่อไปอีก เอาละตรงนี้เรามาถึงกับว่ารูปโลกนามโลกนะรูปโลกมาจากนามโลกและนามโลกโลกจิตเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเช่นคุณคิดถึงแฟนบ่อยๆเห็นหน้าแฟนในใจเห็นรูปแล้วใช่ไหมอ่านั่นเขาเรียกว่ารูปที่มันปรากฏในจิตเขาเรียกว่านามมารูปแต่รูปที่คุณเห็นจริงๆนั้นเขาเรียกว่ารูปนามพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาแฟนเรามันจะต้องเกิดอะไรก่อน นา ม, มาลูปคือความรักความพอใจควาชอบใจความคิดถึงเป็นโลกหรือเป็นรูปมันเป็นโลกแล้วความรู้สึกชอบใจมากๆก็เป็นโลกไหมมันเป็นโลกเช่นที่หนึ่งนั่นนั่นเรียกว่าโลกทางวิญญาณแล้วคิดถึงบ่อยๆเวลาเขาไม่ชอบเราเราชอบเขาข้า้งเดียวเขาไม่ชอบเราเราก็รู้สึกคิดหนักเลยใช่ไหการคิดหนักย้ำคิดย้ำทำและพิเ t i o n เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เกิดโลกอะไร โรคจิตประสาทถามหาเพราะนอนไม่หลับคิดถึงเขามากเกินไปนะอ่าเห็นไหมโรคจิตมันก็มาจากโรควิญญาณแต่เราไม่ตามรู้แก้ไขโรคทางวิญญาณมันก็ขอให้เกิดโรคจิตพอโรคจิตนั้นทําให้เราคิดเขามากๆเขาอกหกักรักแล้วเอาอ่าไม่มาหาเราหรือเขาทําแล้วเราก็เป็นโรคนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับโรค ก, กายเป็นไงมาแล้วอ่าความเจ็บป่วยทั้งกายทั้งจิตมาเห็นไหม เพราะสาเหตุเราตามไม่ทันโลกทางวิญญาณนั่นคือรากของมันดังนั้นวิปัสนาเราต้องมาเริ่มต้นณนะจุดนี้ถ้าเรามาปฏิบัติที่วิปัสนาเราไม่เริ่มต้นจุดนี้ไม่ใช่วิปัสนาที่ตรงนะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องเทธีดีเป็นเรื่องอะไรซึ่งทำให้เราเสียเวลามากๆเลยใช่ไหมที่เราเล่นล่อนไปตามสำนักอะไรต่างๆเนะี่ย แต่ทำไมไม่พูดกันตรงๆอ่ะเราไม่ทําันไม่ถูกมันจบเรื่องกันไปชีวิตยังมีอะไรที่น่าทําอีกหลายอย่างพูณจะมาเสียเวลาเรื่องโรคกุ้มหลงอยู่ทําไมใช่ไหมเรื่องราคาโทรศัพท์มือถือเรื่องของเด็กๆอ่ะแต่ทำไมต้องติดอยู่เพราะจิตวิญญาณเราเป็นอะไรเป็นโรคแล้วคนเป็นโรคเข้มแข็งหรืออ่อนแออ่อนแอจิตวิญญาณเราอ่อนแออยู่ยังตกเป็นทาสของราคาโทรศัพท์ ม, มืหา เราวก็ยังเป็นเด็กทางจิตวิ ญ, ญญาณใช่ไหมเราเรียกว่าเท่าอะไรนะคนละเก้าสิบเท่าอะไรเท่เาหม้อหม้อยังมีอยู่อ่ ะ, อะเราก็เป็น อ, อยู่อย่างนั้น น, ะนี่ขาเรียกว่ามันไม่เกิดความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณดังนั้นวิปัสสนาต้องทําให้จิตวิญญาณเราเข้มแข็งถ้าจิตวิญญาณเราไม่เข้มแข็งกายเราเข้มแข็งไม่ได้หลวงพ่อประทับใจประวัติของท่านหนึ่งที่หลวงพ่ลงมือแปลเองนะของท่านปรมาจารย์ตักหมอ ปริญจารตรังโมเนี่ยท่านใช้อาการเคลื่อนไหวแวพเทียนวัฒนธรรมจีนทั้งหมดอันนี้ขอนอกเรื่องหนยนะวัฒนธรรมจีนทั้งหมดเกี่ยวกับออกกำลังกายที่กงไทชิ่ยิมนาสติกแล้วก็กำลังกายภายในต่างๆมาจากทฤษฎีของท่านตัังโมหมดเลย เพราท่านอาศัยการเคลื่อนไหวของธรรมชาติสังเกตการเคลื่อนไหวธรรมชาติแล้วนํามาประยุกต์การทําเป็นวิปัสนาแล้วการอธิบายความเรืต่ต่างๆเนี่ยหนังสือของพระอาจารย์ธรรมกฤลมโคเทียนนี่เอามาแปลกใจว่าคนห่างกันไปเวลาเป็นพันๆปีทําไมความคิดความเห็นการกระทํามันาตรงกันแบบนี้ก็เลยเอามาแปลก็คือการใช้การเคลื่อนไหวคนจีนเขาก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ใน รูปแบบต่างๆเขาออกกําลังกายนะแต่คนไทยเราเพิ่งเริ่มแล้วอีหลายศตรวรรษข้างหน้านีคนไทยเราจะเข้มแข็งมากกว่านี้นะงราใส่เวลาเป็นร้อยปีขึ้นไปแต่ว่าเอาดีกว่าเราไม่เริ่มต้นเลยนะเพราะนั้นการใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของกายเนี่ยให้เป็นวัตถุดิบของความรู้เนื้อรู้ตัว ตอนนั้นการเคลื่อนไหวทุกครั้งใครใส่สติสัมยาลงไปในการเคลื่อนไหวได้มากที่สุดคนนั้นก็จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้รวดเดียวและโรคทางจิตวิญญาณก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆก่อนที่จะหายโรค ก, กายต้องเปนรักษาโรคจิตก่อนหายโรคจิตต้องเปนรักษาโรควิญญาทรักษาโรควิญญาณเป็นคือรักษาแค่สองโรคคือโรคอะไรโรคพอใจและไม่พอใจแต่ดูมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนาะตรงที่เราไม่รู้ทันมัน นะมันจะกลายเป็นเรื่องสำคัญตรงนั้นเองแต่ถ้าไม่รู้ทันมันเป็นเรื่องขยายตัวไปเรื่อยรากเล็กเล็กต้นไม้ตัวเล็กเล็กก็ไปลากอ่อนๆใช่ไหมคุณถอนมาคุณยังไปแกงกินได้เลยแต่พอมันโตขึ้นมา คุณไปเอาลากมาขามอ่อนมาแกงไม่ได้แล้วเป็นลาบขามแก่เหมือนกันกีดของเราตอนที่มันก็เกิดเกิดจากตัวความพอใจไม่พอใ จ, อใจเล็กๆอ่อนๆ น, นี่แหละแต่เราไม่ถอนไม่ลือมันนะ่ะมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆล้วก็ไม่ใช่ใช้เวลาสามปีห้าปีเหมือนลากไม้นะ่ะอาศัยแค่ชั่ววินาทีเดียวเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะังนั้นเองเราจึงมามาฝึกฝนเพื่อให้กําลังสติส ม, มัยญะให้เข้มแข็งขึ้นแล้วเราจะตาม ความพอใจหรือเมื่อความพอใจความชอบใจเป็นสัญชตาตญาณของสัมพสสัตว์ทั้งหลายสัญชตาตญาณของคนกับสัตว์เนี่ยเหมือนกันอยู่สี่อย่างจําได้ไหมหลายคนเป็นชาวพุทธจําได้แน่นอนว่าพุทธิยถาบอกถ้ายกธรรมะเอาเสียคนกับสัตว์ไม่ต่างกันสัญชตาตญาณสี่อย่างขึ้นหนึ่งต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการกินอาหารอด้วยการกินอาหารสองต้องการ หลับนอนหลับนอนต้องมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมก็ <K> ต้องหารวงหารังหารูหาที่อยู่อาศัยไม่ว่าคนไรืสัตว์เหมือนกันหมดเลยอันที่สามเหมือนกันตรงไหน <K> เวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไปไงอยู่กับที่ได้ไหมไม่ได้แล้แตะลืดเปิดเปลงต้องหาที่หลบที่ลี้กันเหมือนกันคนก็นสัตว์แต่ว่าสัตว์เนี่ย <K> อย่างสัตว์ป่าเท่าไหร่ิไปใกล้มันมันยิ่งหนีใช่ไหมมันกลัว พอมันเริ่มเป็นสัตว์บ้านแล้วมันก็เริ่มไม่กลัวละหมายควาว่าคนสัญชตาตญาณของคนคือความกลัวอีกอันหนึ่งที่เหมือน ก, กับสัต ว, ว, ว์ความกลัวความกลัวภัยอันที่สี่อะไรเราเกิดมาได้เพราะสัญญาณอันที่สี่นะสัญญาณในการขยายเผ่ยาย พ, พันธุ์ขยายสืบพันธุ์ของตัวเองนะสิพันธุ์ของตัวเองแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าสัตว์เนี่ย ไม่ว่าการเสวหาอาหารที่อยู่อาศัยการกลัวภัยการไขยับผับมันมีจํากัดอยู่แค่นั้นมันมีฤดูกาลมันมีเวลาของมันสัตว์นั้นกินอิ่มแล้วก็อิ่มอ่ะใช่ไหมเคยเห็นไหมว่านกตัวเนี้ยมันไปกินมะม่วงต้นนี้มะม่วงสุกเสร็จแล้วมันชอบใหญ่มันหอบมะม่วงกลับบ้านเฉยเลยเนี่ยมีไหมมันบินไม่ได้เลยนะถ้ามันคิดจะมะม่วงไปสักหรกมันบินไม่ได้เลยนะใช่ไหอแต่คนเป็นไงฮะ กินลูกที่หนึ่งอ่าลูกที่สองที่สามที่สี่ตามมาหอบกับบ้านเป็นรถเลยยังมีนะใช่ไหมทุเรียนนะ่ะเงาะใช่ไหมมันทุกข่ายกันไปอันนี้คือมันต่างกันมันต่างกันเพราะฉะนั้นคนถึงเดือดร้อนกว่าสัตว์เพราะสัตว์ตอบสนองแค่ความหิวแต่คนตอบสนองความอยากด้วยเพราะฉะนั้นความหิวเป็นธรรมแต่ความอยากเป็นอธรรมแต่ชีวิตจริงของเราเนี่ยเราฟโล่เราติดเราตามความหิวหรือเราติดตามความอยาก ความอยากแล้วจึงทุกข์ไงทุกข์เพราะความอยากเราไม่ได้ความหิวกับความอยากอะไรแก้งง่ายกว่ากันอความหิวแก้งง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหิวขึ้นมาไปดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งก็เป็นไงกล้วยสักใบหนึ่งจบละแต่ความอยากเป็นไงโอ้อาหารมื้อนี้ไม่อร่อยเลยมื้อต่อไปร้านนี้ไม่อร่อยร้านต่อไป ดาวเดียวไม่อร่อยห้าดาวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเป็นความอยากเท่านั้นเลยมันไม่ใช่ความหิวความหิวมันไม่นึกถึงดาวใช่ไหมอะไรก็ได้ที่อิ่มแล้วใช้ได้ทั้งนั้นอ่ะนะเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติต้องต้องทานเมื่อหิวมีหมอญี่ปุ่นคนหนึ่งวิจัยบอกว่าการที่เราจะหนุ่มสาวขึ้นเรื่อยๆนะคุณต้องทานอาหารเวลาหิวคุณอย่าทานอาหารเวลาอยาก ทานอาหารเวลาอย่ากเป็นต้นต่อของโครคภัยไข้เจ็บในช่วงหิวเนี่ยรู้ไหมอะไรมันหลังโกรธฮอร์โมนมันหลังแก่ว่าเมื่อโกรธฮอร์โมนหลังโกรธฮอร์โมนคือฮอร์โม น, นแบบไห น, นใครเรียนหมอ เ, เรียนแพทย์เรียนพยาบาลมาเมื่อโกรธฮอร์โมนหลังเกิดอะไรขึ้นเกิดสารหนุ่งสาวเนาะพวกเด็กๆ เ, เนี่ยเขามีโกรธฮอร์โมนสูงเพราะฉะนั้นคุณจะแก่ช้าถ้าทานอาหารเวลาหิวนะส่วนใหญ่แปดสิบก็สิบทานอาหารเวลาไหน เวลาอยากหิวแค่เป็นนำยาแทบจะไม่วางบางคนแทบจะไม่รู้สึกหิวเลยบางวัน <c oughs> ถ้าคนไหนไม่รู้สึกหิวเลื่อันตรายสัญญาณโลกมาแล้วถ้าคนไหนหิวบ่อยๆไม่ใช่หิวแบบเบาหวานนะหิวแบบธรรมชาติปกติของคนทั่วไปคนเป็นโรคเบาหวานก็หิวเป็นผิดปกติแล้วดัง น, นั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องจัดการกับความอยากตั้งแต่เริ่มเลยอะไรก็ตามที่มันเพลินมันพัฒนามาจากความสบาย โดยนั่นานๆนนนไปไงทุกคนลุกขึ้นดูอพิสูจน์ดูว่าความสบายความไม่สบายต่างกันไงและความรู้สึกตัวต่างกันไงความรู้สึกที่นั่งอยู่เมื่อกี้กับตอนเนี้ต่างกันไหมต่าตอนนี้เราบัญญัติได้ว่าเป็นความสบายหรือไม่สบายสบา ย, บายเราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นมาด้วยกันเลยนะมันพ่วงมาด้วยกันแต่ละเอ้ยถ้าคนไหนบอกลุกขึ้นแล้วก็สบายสักแต่ว่าสบายเอย้คนนี้มันเพี้ยนหรือเปล่า มันเป็นคนผิดผิดมนุษย์มะนาวไปเลยนะทุกคนนะแต่คนจริงมันถูกนะแต่มันมันยังไม่เป็นวัฒนธรรมไม่เป็นข่านิยมที่จะพูดอย่างนั้นได้แต่รู้สึกมาเอโดยสามัญโดยมนุษย์ทำก็ก็รู้สึกสบายแต่สบายนี้มันยังไม่เป็นกิเลสนะมันเป็นธรรมเป็นยาชนิดหนึ่งยารักษาโรคชนิดหนึ่งแต่เมื่อใดเรารู้สึกชอบอ่ะใช่ไหมชอบตรงนั้นตัวชอบเริ่มละมันเริ่มไม่ใช่ยาละ มันเริ่มเป็นยาพิษตรงนั้นเพราะนั้นตัวอาการที่เราตอบสนองต่อกายนี่เป็นธรรมแต่ตอบสนองต่อจิตนี่เป็นําเมื่อคืนนอนหลับไหมลูกหลับใช่ไหไทำไมมาง่วงอีก <c oughs> ยืนกัง่วงเลยนะเอเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาตรงนี้ให้ดีว่าเวลาสบายคุณมีสิทธิสบายความรู้สึกสบายนะั้นมันเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาที่มี วีลิตมากทีเดียวต้องการรู้สึกสบายเวลาเจ็บป่วยแล้วคุณสบายขึ้นเอแสดงว่าดีละใช่ไหมแต่ว่าสบายไปถ้าคุณเพลินในมัน่ะตรงนั้นะคือมันมันมาด้วยกันในปลาตัวหนึ่งเนี่ยมันมีแต่เนื้อเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันจะต้องมีอะไรด้วยมีขี้และมีก้างของมันใช่ไหมเวลาคุณกินคุณแินขี้ทั้งกินทั้ขี้ทั้งก้างไหมนี่คุณรู้ไปอย่างดีเลยนะแต่ทําไมเวลาคุณมาเสพความสบายคุณ ความอยากมันเป็นขี้เป็นก้างของความสบายแต่คุณไม่เอาออกมันขี้ตรงนั้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นทุเรียนอ่ะกินทั้งหมดทั้งลูกได้ไหมไม่ได้คุณก็เลือกกินเนื้อมันใช่ไหมแต่เราปฏิเสธเม็ดปฏิเสธเปลือกมันได้ไหมไม่ได้แต่เรากินมันไหมไม่กินเพราะฉะนั้นความสบายคือเราได้กินเนื้อมันแต่ความอยากตามมาแต่คุณอย่าไปเพลินกับมันคุณก็ตัดความอยากนั้นออกไปเหมือนกัน มันมีเม็ดมีเปลือกคุณก็รับรู้ว่ามันมีแล้วคุณก็สลัดมันทิ้งคุณก็เลือกกินเต็มเนื้อของมันความสบายมันมันก็มีความอยากตามมาอยู่ใช่ไหมแต่คุณรีบสลัดมันเสียแต่ไอการสลัดมันได้จะรู้ได้ไงบนมาแบบไหนอ่เอตรงนี้ต้องมีวิปัสสนาเอาละ่ะรู้สึกพอเดินพอยืนหน่อยเริ่มหน่วงหนักเลยใช่ไหม <c oughs> คุณลงนั่งลงสี่อ่ะช่วงที่กําลังย่อ่นั่งลงเนี่ยอาการที่รู้ บัญญัติได้ไหมว่าสบายหรือไม่สบายช่วงที่เรากําลังจะเนี่ยกำลังจัดการที่นั้นลักษณะที่กําลังนั่งอยูนะ่อาการสบายหรือไม่สบายมันก็คือกลางๆใช่มไหมจะว่าสบายก็ไม่ชัดไม่สบายก็ไม่เชิงลักษณะ น, นี้แล้วอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาซึ่งมันไม่ได้ถูกบัญญัติว่าสุขหรือทุกข้าหาว่าใครมีสติสัญญาตามรู้ณนะจุดนี้เสมอตรงนั้นอทุกขมสุขจะเปลี่ยนเป็นปัญญาทันที ปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้ตรงที่ไปตามรู้ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสุกกระทุก์ถ้าไปตามรู้ได้ชัดนะเพราะนั้นเรายืนปั๊บเราก็รู้ว่าอสบายถ้าคุณไปตามรู้ได้เป็นศีลอพอมันเปลี่ยนมาดืนไปสิบนาทีสิมันเริ่มหนักคุณไปตามรู้มาได้เป็นสมาธิแล้วคุณเปลี่ยนขณะเปลี่ยนในีคุณไปตามรู้มันได้อีกเป็นปัญญาศีลสมธิตปัญญาเกิดมาจากโกฎของใจรักนั่นเองอืมรักของมัน เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติมันจึงไม่ยากถ้าเรามาตัดต้นเหตุมาศึกษาที่ต้นเหตุพระุทธเจ้าท่านก็ไปจัดให้ไปจัดการตรงนั้นด้วยนะสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุการที่เข้าไปดับเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องผลแต่สอนเรื่องเหตุคาถานี้ใครเป็นคนกล่าวคุณสัมพันธ์หลงพ่อพูดบ่อยๆจําได้ไหม เยธมาเหตุปวาเตสั่งเหุตุนดธาคาโตเตสัญจายูนิโรโทจะเอวังวาธีมหาสมนุว่าพรุทธเจ้ามีปกติตัดอย่างนี้เสมอแต่ว่าผู้ที่นำไปกล่าวอ้างคือท่านอาชชิใช่ไหมพระอาชชิที่พระสายรีบุตรตอนนั้นท่านเป็นอุปฏิสัุวายโศกอยู่เข้าไปถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครอาจารย์ชื่ออะไรสอนว่าอย่างไร ท่านพระอาจารยชโอฉันยังบทใหม่ท่านคงอธิบายเธอไม่ได้เราเออบอกสั้นๆแล้วก็นท่านท่านก็พูดแค่นี้แหละอ่าอุปวัดติสะอาดอุบายสุขก็เลยเกตเลยได้ลวงใจเห็นธรมาแค่นั้นน่ะนะเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีเหตุเกิดเป็นที่มันมัน ไ, ไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญต้องมีเหตุทั้งนั้นแหละแต่เราไม่รู้เหตุแล้วเรียกว่าบังเอิญแต่มันมีเหตุการที่เราไปจัดการอะไรกันจัดการที่เหตุเมื่อจัดการที่เหตุผลไม่ต้องพูดถึงมันเป็นไปเอง ถ้าคุณจะปฏิบัติให้ได้มรรคผลนิพพานพูดปฏิบัติที่เหตุเหตุของมรรคผลนิพพานคืออะไรคือมาตัดโรค ก, กวดหลงราคาโทรศัเสียโดยเปลี่ยนราคาโทรศัพทเป็นศีลสมถิปัญญาเสียมันก็ไปสู่มรรคผลนิพพานและนี่คือเหตุมาอยู่ตรงนี้แล้วโรคปดหลงเกิดจากอะไรราคาโทรศัเกิดเกิดความสบายไม่สบายแล้วก็ยังไม่แน่แค่นเองแล้วจะตัดมาได้ยังไงก็ตัดยังไม่ได้เพราะมีดมันยังไม่คมพอใช่ไหมแล้วก็ไปตัดในส่วนที่มัน หยาบๆโจทที่มนอนษอ่อนก่อนนะดังนั้นเราก็มาสร้างเหตุเหตุที่จะไปจัดการมอได้ก็คือเป็นที่ตั้งของเหตุอะไรอะไรเป็นที่ตั้งของเหตุให้เราทำได้คือศรัทธาและความเพียร น, นะถ้าเราไม่มีศรัทธาและความเพียรเราจะมาเริ่มต้นรู้เรื่องเหตุอันนี้ก็ไม่ได้อีกดังนั้นเรามาฝึกศรัทธาและความเพียรแล้วก็ลงมือทำไปถ้าหากว่าคนไหนศรัทธาและความเพียรสูงขึ้น้วทาไปถูกต้อง ถ้าทำถูกต้องแล้วปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดความเพียรก็เพิ่มศรัทธาก็เพิ่ม ง, งั้นเบื้องต้วที่สุดให้เกิดตัวศรัทธาแต่ศรัทธานี่เกิดจากอะไรเกิดจากได้พบกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรให้อะไรกับเราให้ปัญญาสามประการหนึ่งได้ยินได้ฟังใช่ไหมเลื่องสูตรตรามัยปัญญาสองได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจไหม เข้าใจได้ไหมสิ่งที่พูดเข้าใจได้เราเกิดปัญญาขั้นที่สองคือจินตาเมย์ปัญญาสามเข้าใจได้แล้วเอาไปลงมือทําถูกไหมถ้าทําถูกได้ปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามยปัญญาเพราะฉนั้นได้พบกับเรียนมิตรทำให้เราเกิดปัญญาสามประการแต่ได้พบกับเรียนมิตแล้วปัญญาเราไม่เกิดสามประการนี้ศรัทธาเราก็ยังไม่เกิดใช่ไหมนี่ในพุทธศาสนานะในพุทธศาสนาต้องเริ่มต้นที่ปัญญาแต่ต้นจริงๆได้พบกับครูบาอาจารย์ แล้วนะได้พบแล้วได้ทำโอ้ไอการที่คนจะเกิดปัญญาต้องเห็นผลว่าอะไรเป็นอะไรเสก่อนใช่ไหมจู่ๆโดยศรัทธากันโดยไม่เห็นอะไรชัดเจนเขา ว, ว่าดีก็ดีตามเขานะเขาว่าวิเศษก็วิเศษตามเขาศรัทธาใหญ่เลยะแต่ไม่รู้ว่ามันดีอย่างไรนี่ก็เลยศรัทธาแบบนอกพุทธศาสนาแต่ศรัทธาในพุทธศาสนาต้องเริ่มต้นที่มีปัญญาแต่ปัญญานี้มาจากไหนมาจากได้พบกิริยนานิมิต คือเขาจะเป็นพระก็ได้ไม่เป็นพระเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนพิมิ์เราก็ได้แต่เขามีปัญญาบอกเราอ่ะและเขามีปัญญาที่จะพาเราปฏิบัติได้ด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นกระะนารยานมิตรนะเยอะไปไหมพอเราไม่แค่นี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวเยอะกว่นี้มันเบลอเนะนะมันจะไม่ไหวเนาะก็โอเคเดี๋ยวย้ายไปเดินชมกลุ่มสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะาารับประทารเขาเกิดนิดหนึ่งด้วยว่าพอกําลังการตอนเช้าพยายามทำหน่อย น, นะ เพราะว่ า, าจะทําให้เราหายโรคหายไข้เจ็บทางกายแล้วเราก็ภาวนาจังหวัดทําให้เราหายโรคหายไข้เจ็บทางใจถ้าเราไม่มีโรคแล้วทีนี้เราก็จะเป็นมนุษย์อะไรมนุษย์อมตะอมตะไปว่าไม่ได้ไปไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะอมตะไปว่าไม่อะไรไม่ทุกอ่าคนทุกคือคนตายน่ากลัวไหมความตายที่แท้จริงคือความทุกข์นี่แหละ นะคุณทุกข์แลคือคุณตายส่วนใหตา ย, ตายน้อยใหตายมากแตย่ยืดตายยาวตายรวนี่คือแล้วแต่ละคนไปนะเพราะฉะนั้นมนุษย์อมะตะคือมนุษย์ที่ไม่ทุกข์ทั้งกายทั้ใจดีไหมออมะตะแปลว่าไม่ตายของพุทธเจ้าก็ยังอยู่สิแต่ว่าธรรมะถ้าไม่ตายท่านเป็นอมะตะ ต, ตรงนั้นนะก็ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ตัวเองให้แจ่มแจ้งชัดเจน แล้วเราก็จะเลือกใช้ชีวิตที่ไม่ทุกได้ด้วยการทุกคนทุกทันค